กรรมอะไรที่เกิดมาเป็นลูกที่แม่ไม่รักบทความโดยดังตรินจัดทำโดยวรวุิพึ่งพรธรรมกุลน้อยใจแม่มาตลอดชีวิตแม่รักพี่สาวมากกว่าและแสดงออกยังไม่เป็นธรรมเสมอทั้งที่พยายามทุกอย่างแล้วที่จะให้แม่รักบ้างแถมหมอดูก็ทำนายด้วยว่าพอแม่แก่ตัวแล้วจะเป็นลูกคนเดียวที่เลี้ยงดูแม่แต่ก็ไม่มีความหมายเลย กรรมอะไรที่เกิดมาเป็นลูกที่แม่ไม่รักในโลกความเป็นจริงผู้คนฟังเพลงอมะตะเช่นค่าน้ำนมแล้วไม่อาจทราบซึ้งได้เท่ากันว่ากันว่าเพลงนี้มีอาถรรพ์หลายคนฟังแล้วน้ํำตาไหลอยากไปกอดแม่ทันทีแต่คนอีกจำนวนหนึ่งฟังแล้วเฉยเฉยไม่รู้สึกรักแม่มากขึ้นหรือน้อยลง ในขณะที่มีบางคนฟังแล้วโมโหอยากเถียงคนแต่งว่าไม่เห็นมีอะไรในเพลงจริงเลยสักคำหากไม่พยายามดันทุรังวาดภาพแม่ให้เป็นนางสวรรค์ของลูกทุกคนเราก็จะค่อยๆสืบหาความจริงได้ตามลำดับเช่นแม่คือผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ธรรมชาติกำหนดให้ต้องอุ้มท้องก้าเดือนแต่หลังจากคลอดแล้วก็ไม่จาเป็นต้องทาหน้าที่แม่เหมือนเหมือนกัน แล้วจิตวิญญาณแห่งความเป็นแม่ก็ไม่จำเป็นต้องเท่ากันแม่บางคนให้นมลูกดูตนเองแบบไม่กลัวเสียสวยในขณะที่แม่บางคนให้แต่นมผงไม่เคยให้นมจากถันตนแม้แต่ครั้งเดียวแม่บางคนดีใจที่ได้ลูกมาเลี้ยงดูสมใจขณะที่แม่บางคนเห็นลูกเป็นภาระและอยากฝากให้คนอื่นเลี้ยงแม่บางคนอยากมีลูกหลายคน ขณะที่แม่บางคนแทบอยากรากเข้าคลินิกทำแท้งทันทีที่รู้ว่าท้องอีกแล้วนี่ยังไม่นับแม่ที่มีลูกไว้ขายกินนะครับคุณไม่ได้บอกรายละเอียดมากไปกว่าพยายามทุกอย่างแล้วที่จะให้แม่รักบ้างแต่แค่ประโยคนี้ก็บอกสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งแม่ของคุณต้องดีพอคุณถึงรักท่านขนาดพยายามทำให้ท่านรักตอบเหมือนอย่างนี้ แต่ความรักความชอบใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบังคับกันไม่ได้แม้ทำดีแต่ถ้าไม่ตรงกับเหตุของความรักพยายามให้ตายอย่างไรก็ไม่รักยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าพี่สาวของคุณมีพื้นจิตพื้นใจไปในทางนุ่มนวลเข้ากันได้กับแม่แตกต่างจากคุณซึ่งอาจเจ้าโมโหโทโสหรือไม่ก็ดูจ่อง ไม่ค่อยมีพลังชีวิตให้สดชื่นยามอยู่ใกล้มีแต่คลื่นความฟุ้งซ่านรบกวนกันแม่คุณก็อาจแสดงท่าเหมือนอยากใกล้ชิดหรือไปไหนตอนไหนกับพี่สาวมากกว่าลองนึกดูคนที่มีกระแสสบายจะดึงดูดคุณเข้าไปหาเขาเองส่วนคนที่มีกระแสน่ารำคาญต่อให้จ้องจะมาช่วยคุณทำาน่นทำนี่คุณก็รู้สึกเหมือนมแมลงวีมแมลงวันที่หน้าหนีไปไกล หรือตรงข้ามถ้าคุณแม่ชอบแบบบูบูและพี่สาวก็ถึงพริกถึงขิงถึงไหนถึงกันตามแม่ในขณะที่คุณเปี่ยมเมตตาเยือกเยน็นคอยขัดคอท่านเวลาท่านจะอาลาวาดกับใครกลางถนนอันนี้แม่ก็อาจไม่รู้สึกถนัดกับการไปไหนไหนกับคุณก็ได้หรือบางทีเหตุปัจจัยอาจตื้นตื้นเช่นเมื่อมีลูกคนแรกก็อาจทําให้แม่สมหวังที่ได้แก้วตาดวงใจ ท่านมีความรู้สึกล้ำลึกที่คุณหรือใครๆไม่อาจรับรู้เมื่อคุณตามมาท่านก็รักเหมือนกันแต่อาจไม่เหมือนความประทับใจครั้งแรกอันนี้ไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีแต่เป็นเรื่องของการมาก่อนได้ก่อนยังมีเหตุปัจจัยได้อีกร้อยแปหากอยากฟังเรื่องอดิตกรรมก็มีความเป็นไปได้นับไม่ถ้วนเช่น ท่านร่วมบุญกับพี่สาวแบบเออ อ, อว่าอย่างไรว่าตามกันคุยกระหนุงกระหนิงทุกวันขณะที่ทำบุญกับคุณก็จริงแต่ตกลงกันไม่ค่อยได้สักเรื่องขัดคอเข้าขั้นทะเลาะกันตลอดและมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งที่ควรรู้นะครับถ้าคุณมีความริษยาอยู่ในใจและพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะคนที่คุณริษยาต่อให้ดูแสนดีเพียงใด คลื่นอันน่ารักายจากจิตก็จะรบกวนคนที่เราทำดีกับเขาวันยังค่าหากเคยขัดแย้งกันเรื่องการบุญในอดีตแถมมาบวกเข้ากับโทสะอันเกิดจากความอยากเอาชนะในปัจจุบันก็เป็นอันแน่นอนครับว่าคุณไม่ได้ใจแม่หรอกคุณต้องเปลี่ยนมุมมองและจัดการกับความรู้สึกเสียใหม่เอาชนะกรรมเก่าด้วยกรรมดีใหม่ และเอาชนะกิเลสด้วยสติปัญญาของวันนี้และพรุ่งนี้เอาชนะกรรมเก่าด้วยกรรมดีใหม่ๆเป็นอย่างไรดังที่บอกว่าคุณอาจร่วมบุญกับท่านแบบระหองระแหงไม่เคยเออออคล้อยตามกันฉะนั้นปัจจุบันก็เปลี่ยนเสียใหม่เพราท่านไหว้วานหรือใช้ให้ทากิจอันเป็นกุศลโดยเฉพาะที่คุณพิจารณาแล้วว่า เป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามก็รีบขวนขวายไม่โต้แยงและถ้าชวนท่านทำทานรักษาศีลแบบใดไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปเร่งเร้าบังคับใจกันเว้นแต่แม่ไม่เอาบุญเอาธรรมะใดๆเลยอันนี้อนุญาตให้คุณขวนขวายหาความสว่างมาให้ท่านค่อยๆเล่าค่อยๆเสนออย่างใจเย็นนะครับอย่ารีบร้อนพรวดปราดจนท่านราคาญเอา เอาชนะกิเลสด้วยสติปัญญาของวันนี้และพรุ่งนี้เป็นอย่างไรดังที่กล่าวว่าการพยายามทำให้แม่รักของคุณอาจเจออยู่ด้วยโทสะและความริษยาซึ่งกรณีของคุณรากของความริษยาน่าจะมาจากความน้อยเนื้อต่ำใจทำดีไม่ได้ดีไม่เคยได้รับความเป็นธรรมสรุปลงเอ่ยก็คือคุณมีโทสะคุกรุนตลอดเวลา พร้อมที่จะแปราเป็นความเศร้าโศกน้อยใจหรือเป็นความอยากแข่งดีกับพี่สาวได้ทุกเมื่อคราวหน้าพอเห็นความโกรธเกิดเป็นรอยด่างขึ้นมาในจิตให้คิดถึงคำพูดของผมต่อให้คุณพยายามทำดีเพียงใดถ้าเจืออยู่ด้วยโทรศั์ก็เป็นคลื่นรบกวนผู้อื่นเสมอเพียงเกิดสติระลึกได้เท่านี้การอดทนพยายามทาดีของคุณ จะดูดีขึ้นกว่าเดิมมากความดีของคุณจะไม่มีรอยด่างอย่างที่ผ่านมาใจคุณจะสงบเย็นเป็นความปรารถนาดีต่อแม่อย่างแท้จริงนั่นแหละจะทำให้แม่รับรู้และเกิดความสเสน่หาคุณกว่าเก่าเป็นกองต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอย่าหวังผลในสามวันเจ็ดวันความดีที่ทำต่อเนื่องจนกลายเป็นบารมีกระทบใจคนนั้น เขาสร้างกันเป็นเดือนเป็นปีไม่ใช่เป็นวันครับ